เช้าวันนี้ขอนิมนจาวัสนชัยได้แสดงธรรมให้พวกเราฟังด้วยข อ, อนอบน้อมต่อคุณพระรัตนไตรัโอกาสพระอาจารย์เพศานพระเทลานุเถระเพื่อนสัตยธรรมอีกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีรละญาติธรรมทุกท่านหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมาจาก กับปวัตนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีฟังแล้ว <c oughs> นะก็มีพระอญญากดอญญะนะบรรลุธรรมนะเป็นองค์แรกนะได้ถึงพระโสดาบันนะแล้วต่อมาองค์ต่างอีกสี่องค์ก็ค่อยๆบรรลุเป็นพระโสดาบันทุกๆองคนะ์แต่ก็ยังไม่มีใครบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนัตตลกนัสูตร ซึ่งเป็นสูตรที่สองนะเป็นธรรมกันที่สองต่อจากธรรมจักรแล้วเมื่อได้ทรงแสดงพระสูตรนี้แล้วพระปัญจวคีทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระละหันทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้น <c oughs> พระสูตรนี้ก็จึงมีความสําคัญมากนะที่ทําให้ปัญจวคีบรรลุเป็นพระละหันได้ทั้งหมดและถือว่าเป็นหลักเป็นหัวใจอย่างหนึ่ง อ่เป็นสัจธรรมของโลกเลยก็ว่าได้นะทำให้อนาตตางลักนัสูตรนี้พู้วิจาร์ได้ทรงถาม่ะปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า สิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา <c oughs> ควรหรือที่จะตามคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา <c oughs> เป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรคิดเะนั้นพระเจ้าค่าแล้วก็ทรงแยกแยะไปใน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแต่ละตัวแต่ละตัวในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้นนะจนปัญญวคีนี้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งมีจิตหลุดพ้นคลายจากความยึดติดในขันห้าบรรลุถึงความเป็นพระหันได้ทุกทุกองนะเพราะนั้นใน อนะตตากรกนัสสูตรนีนะ้เป็นการแยกแยะความเข้าใจผิดนะในการที่เรายึดมั่นในอุปทานขันธ์ทั้งห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อเราคลายความยึดติดมันได้แล้วจิตก็หลุดพ้นะเข้าสู่ความเป็นพระยเจ้าได้อย่างแท้จริงขณนะนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นีนะ้มีอะไรนะเป็นอย่างไรบ้างนะรูปก็คือร่างกายของเรานี้นะ ที่มีการแยกออกมาเป็นอาการสายทุสองถมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจปอดตับน้ำเลือดน้ำเหลืองต่างๆเนี่ยก็คือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายหรือเป็นรูปของเรานี้ <c oughs> เวทนานะเวทนาก็คืออาการของใจนะที่รับรู้นะในนะความ สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออะทุกขมะมัสุขเวทนาก็คือความเฉยเฉยการที่รับรู้สวยอารมณ์ในสาประการนี้นะก็คือเวทนานั่นเองสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้สิ่งต่างๆที่เคยผ่านมาแล้วในอดีต <c oughs> ก็สามารถที่จะระลึกจําขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะ สังขารก็คือความปรุงแต่งไปความปรุงแต่งไปในอความคิดต่างๆวิญญาณก็คือการที่เราอ่าสามารถรับรู้ใ น, ในอายะตะนะทั้งหกตาที่เห็นรูปนะก็เกิดอ่าจากครูวิญญาณก็คือความรับรู้ในทางตาหูได้ยินเสียงก็เกิด โสตะวิญญาณคือความรับรู้ในทางหูจมูกได้กลิ่นนะก็เกิดการตะวิญญาณคือการรับรู้กลิ่ น, นในทางจมูกลิ้นกระทบรสก็เกิดการรับรู้ในชิวหาวิญญาณรับรู้ในรสต่างๆเหล่านั้นกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มาสัมผัสรับรู้ในทางกายก็เกิดกา ย, ยวิญญาณ นะการรับรู้ในทางกายเหล่านั้นใจนึกคิดไปก็เกิดการรับรู้ในทางใจเป็นมโนวิญญาณนะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำงานนะอยู่ตลอดเวลานะในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนีนะ้ยกตัวอย่างเช่น <c oughs> นะเวลาเราเดินไปนะเราก็ได้เห็นคนคนหนึ่งนะตาเห็นได้กรากาจากขวาวิญญารับรู้ทางตา เมื่อเกิดการรับรู้ทางตาแล้วเนี่ยสัญญาก็เกิดการทํางานขึ้นมาอแล้วลึกขึ้นได้ว่าเป็นเพื่อนที่รักเราคนหนึ่งในอดีตนะได้มาพบกันเมื่อสัญญาทํางานเวทนาก็เกิดขึ้นมานะก็เกิดความดีใจอเกิดสุขเวทนาขึ้นมาความดีใจก็เกิดความดีใจแล้วสังขารก็ทํางานต่อมามีการปรุงแต่งว่าอยากไปพูดคุยกับเขา ไปทักทายไปถามไทยเขาเป็นยังไงนะก็เป็นการทำงานครบนะในเนะวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นการทำงานชั่วแว บ, บเดียวทางนั้นเองนะเพียงรัดนิ้วมือเดียวก็ทำงานได้ครบในตรงนั้นแล้วนะนะอันนี้ก็คือการทำงานสิ่งต่างๆเหล่ า, านีนะ้ในทางกายและในทางใจของเราเนะี่ยมันก็เป็นการปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆทั้งวันที่เรารู้ตามไม่ทัน แล้วก็แยกแยะสิ่งต่างไม่ทันข้อนี้นะความไม่เที่ยงที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้นความไม่เที่ยงก็คือความไม่เที่ยงในขันทั้งห้านั่นเองนะความไม่เที่ยงนมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะอเห็นได้อยู่เรื่อยๆนในขันหานี้ในร่างกายของเรานี่ก็เห็นได้ชัดเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็มี นะความแก่ความเจ็บความตายเนะี่ยเป็นธรรมดาเนะี่ยเป็นความไม่เที่ยงตาของเรานะก็ฟางไปนะต้องมาใส่แว่นนะใส่แว่นตานะแว่นต่างๆนะก็เพื่อช่วยให้เราเนะี่ยมองเห็นสิ่งต่างได้ชัดหูนะก็ตึงนะก็เสื่อมไปนะนะได้ยินไม่ชัดนะ่ยบางทีเราก็ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ผมอก็งอกนะอเป็นสีขาวไปนะเปลี่ยนแปลงไปเนะี่ยเราก็ต้องไปย้อมผมต่างๆอให้เดิให้เราดูดีขึ้นนะผิวหนังนะก็หย่อนนะต้องไปใช้เครื่องรูปไร์ต่างๆให้ผิวหนังเนี่ยดีขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ก็แสดงถึงความไม่เที่ยงต่างๆที่เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วนะเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้นะได้ชัดเจนมาก รวมทั้งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แสดงในหลายๆอย่างนะในความเกิดความดับของร่างกายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะแม้แต่ว่าจริงๆแล้วเซลล์ในร่างกายของเรานี้มันก็เปลี่ยนแปลงมาตลอดนะตั้งแต่เด็กนจนถึงปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนมาไม่รู้ว่ากี่ชุดแล้วนะเพราะฉะนั้นผิวล่างกายของเราต่างๆมันเปลี่ยนมาหมดแล้วนะไม่กี่ปีมันก็เปลี่ยนไปทั้งหมด แต่เราก็ไม่รู้หรอกเรานื้อก็เป็นของเก่าแต่มันไม่เหลือของเก่าแล้วนะเพียงไม่กี่ปีก็เปลี่ยนใหม่หมดทั้งตัวนะมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้มันนะเพราะมันมีการสืบต่อนั่นเองนะเขาเรียกว่าสันติเนี่ยปิดบังอานิจจังคือความสืบต่อสันติคือความสืบต่อเนี่ยปิดบังความไม่เที่ยงความเกิดดับในตรงนี้เราจึงมองไม่เห็นความที่มันดับไปแล้วนะ เหมือนกับไฟนะไฟ <c oughs> ไฟเนี่ยมันจะมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะความเกิดดับงมานนี่ทีแล้วเร็วนะแต่เรามองไม่เห็นในตรงนั้นในความเกิดความดับเราก็เห็นนะเป็นความที่มันสืบต่อกันเรื่อยๆนะก็เห็นมันสว่างอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะแต่ความจริงมันก็เกิดและดับอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะความไม่เที่ยงเนี่ยมันแสดงอยู่เรื่อยๆนะในแต่ละวัน ให้เราเห็นได้ชัดเจนนะในอารมณ์ต่างๆของเราซึ่งมันไม่คงตัวแน่นอนนะบางครั้งก็ยินดีบางครั้งก็ยินลย้ลยบางครั้งก็เฉยๆนะอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็แสดงถึงความไม่เที่ยงของเขาอยู่แล้วนะหรือแม้แต่กายปฏิบัติธรรมของเรานะบางวันก็ปฏิบัติดีนะมีสติดีแต่บางวันก็ไม่ดีเนะี่ยมันก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่เรื่อย ความไม่เที่ยงนี้จริงๆแล้วนะมันเป็นสัจธรรมเลยนะถ้าผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงนี้ผู้นั้นก็คงจะเกิดความเบื่อหน่ายอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะเ<ม>พราะนอกจากความไม่เที่ยงในขันห้างของเราแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่นอกขันห้ามันก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเสมอนะทุกๆวันทุกๆครั้งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของใหญ่โตขนาดไหนภูเขานะตึก สูงใหญ่มันก็ไม่เที่ยงนะจนถึงของเล็กของน้อยมันก็ไม่เที่ยงทั้งหมดมันมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเราซื้อของมาใช้มันไม่เคยมีที่มันจะใช้ได้ตลอดชีวิตนะมันก็ต้องซ่อมต้องเปลี่ยนต้องซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆนะยิ่งมีสิ่งต่างๆเยอะเราก็มีความทุกข์เยอะเพราะสิ่งที่เรามีนั้นมันก็ไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งมันมีความเสื่อมไปทั้งหมดนะเราก็ต้องคอยบำรุงรักษาดูแลคอยแก้ไขยอยู่เรื่อยๆ อไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะไม่มีอะไรที่จะคงทนตลอดชีวิตเราเลยเนี่ยถ้าใครเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงนะมันก็เราจะเบื่อหน่ายจริงๆนะในสภาวะธรรมนะมันเป็นของจริงเลยในโลงนี้นะความไม่เที่ยงนะเพราะนั้นจึงบอกได้ว่าความไม่เที่ยงนั่นแหละคือความเที่ยงนะมันจึงไม่มีอะไรที่เราจะไปยึดถือกับสิ่งเหล่านั้นได้น ความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์ก็คือการที่เราทนอยู่ในสภาวะว่าเดิมเนี่ยไม่ได้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะเช่นเรานั <'s go> <there> ่งอยู่เนี่ยมันก็ทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวเรานั่งสักพักหนึ่งเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินนะเดินไปมันก็ทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมานั่งมานอนนะ ต่อให้เรานอนนอนนานขนาดไหนนะนอนมันก็ทนในสภาวะการนอนไม่ได้อก็ต้องลุกขึ้นมาอีกเนะี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นอยู่เรื่อยๆนะี่มันทนในสภาวะเดิมไม่ได้ร่างกายเราก็ทนในสภาวะเดิมไม่ได้นอีกน้อยมันก็แตกก็ดับก็สลายไปนะมันทนไม่ได้หรอกนะตัวอย่างมันทนนะในสภาวะเดิมต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว มันแสดงอาการเหล่านั้นให้เราเห็นแล้วนะว่ามันทนไม่ได้จริงๆเรารับประทานอาหารไปสักพักหนึ่งมันก็ทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นความหิวเี่ยหิวมันก็ทนสภาวะเดิมแห่งความหิวไม่ได้ก็เป็นต้องไปรับประทานอาหารใหม่ตลอดเวลานะเราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราออยู่ไปเรื่อยๆกลางคืนนะ มันก็ทนในสภาพาเดิมไม่ได้ก็ง่วงนอนนะก็ต้องไปนอนเด็กเนี่ยมันทนในสภาพาเดิมไม่ได้ตลอดมันต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะมันจึงดีกว่าเออเราก็สเสวยทุกขเวทนาอยู่ตลอดเวลานะแต่เราไม่เห็นหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอิรลิบทเนี่ยมันปิดปังทุกขังเอาไว้นะเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิเลิบนะอเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเรานั่งเปลี่ยนมายืนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเรากําลังแก้ทุกอยู่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราแก้ทุกนะแต่เราไม่รู้ในตรงนั้นเราก็ไม่เห็นความทุกในตรงเนี่ยเพราะนั้นอีบดมันก็บังเราทั้งวันนะมันบังเราจนเราไม่เห็นทุกเพราะนั้นในตรงเนี่ยคนทั่วไปก็จะไม่เห็นความทุกหรอกเราไม่เห็นความทุกนะเพราะวันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆหิวก็กินนะง่วงก็ไปนอนนะเบื่อนายก็ไปเที่ยวต่างๆแล้วเนี่ยมันปิดบังปิดบังความจริง ครั้งนี้นะในเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะอ่มันบังคับเขาไม่ได้สักอย่างเนึ่ยมันก็แสดงความไม่เที่ยงความทุกข์เราเห็นแล้วถ้าเราบังคับบัญชาก็ได้เขาก็ต้องตามใจเราทุกอย่างนะอร่างกายเราเนี่ยเราจะไม่ก็แก่ไม่ก็เจ็บไม่ก็ตายก็ไม่ได้นะ ไม่ให้เขาหิวนะไม่ให้เขาเป็นตามใจเราไม่ได้สักอย่างหนึ่งตาไม่ฟางอผิวหนังไม่ย่อนหูไม่ตึงอผมไม่งอกก็ทําไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้นะทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติเพื่อให้เห็นตรงนี้เท่านั้นเองว่าเราบังคับบัญชาเนี่ยก็ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้จึงไม่ให้ตัวไม่ให้ตนของเรา ถ้าเราส า, บายบ้าบังคับบัญชาไปได้เขาก็เป็นตัวเป็นตนตของเรานจิตมันเข้ามาเห็นตรงเนี้ยจิตมันก็จะได้คลายกำหนัดในอ่ร่างกายนี้นว่าเราทำอะไรก็ก็ไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเรายังสามารถที่จะคิดว่าเออเราอไม่เห็นในตรงนี้นะเราก็นึกว่าเราดีแล้วเราดีเขาได้แล้วหรือเราปฏิบัติทำไปแล้วนะมันเออมันดีทุกๆครั้ง ดูทูกครั้งเลยนะมีสติตลอดเวลาไม่เสื่อมไปไหนเลยเนี่ยมันสิ่งที่ตามมาก็คือบางทีตัวตนเรากลับจะสูงขึ้นมาเองนะเราแทนที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากความยึดติดในขันห้าที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เนี่ยกลายเมื่อเราเก่งอีกอกลายเป็นอัตราตัวตนกลายเป็นศักคยทิฐิขึ้นมานะความยึดติดนะว่าเราอ่บาบังคับบัญชาก็ได้นะเป็นไปตามที่เราต้องการทุกอย่างนะ หลังจากนั้นอืตรงนี้ตัวตนขึ้นมาแล้วเนะี่ยมานะก็ตามมาเองนะว่าเราดีกว่าคนอื่นนะเราปฏิบัติธรรม ด, ดีกว่าคนอื่นคนอื่นสู้เราไม่ได้นะมันก็เป็นมานะทิฐิเป็นอัตาตัว ต, วตนเป็นสักไรที่ดีตามมาทั้งนั้นนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แสดงอย่างนั้นให้เราเห็นเพียงแต่ว่ามันแสดงไปตามความเป็นจริงของเขาเท่านั้นเอง เมื่อเขาสแสดงของเขาแบบนั้นนะหน้าที่ของเราก็คือเข้าไปรับรู้ในความเป็นจริงเหล่านั้นว่าเราเข้าไปรับรู้เขาไหมเขาแสดงความไม่เที่ยงความทุกข์เป็นหน้าตาของเขาทุกวันอยู่แล้วนะแล้วเราเข้าไปยอมรับตรงนั้นไหมครั้ น, นี้ถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยก็เกิดอะไรขึ้นก็คือเราก็มีความทุกข์นั่นเองนะความทุกข์ที่ไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านั้นในความแปลปวนเหล่านั้นอความไม่เที่ย ง, ต, งต่างๆเราเนี่ยใช่ไหม คนเราแค่ยอมรับเท่านั้นเองนะมันก็แสดงมานะในความเจ็บความไข้ความที่เรามีอาการต่างๆไปในทางร่างกายและจิตใจนะถ้าเรายอมรับในตรงนี้เราก็ไม่ทุกแล้วนะอย่างเช่นของที่เราหายของหายไปมันก็แสดงความไม่เที่ยงแล้วครนนั้นเมื่อของหายแล้วเนี่ยนอกจากของหายแล้วใจเราก็หายไปด้วยเพราะใจเราไปยึดติดในของเหล่านั้นนะ มีความยึดมั่นถือมันในสิ่งของมันก็มันก็เลยกลายเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาใน ใ, นใจของเราแต่ก็ใช้ระยะเวลาหนึง่งนะเมื่อเราทำใจได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางใจยอมรับได้นะความทุกข์เราก็น้อยลงะมันก็หายไปนะหรือเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะเป็นมะเร็งนะเป็นเอดส์เป็นโรคภัยร้ายแรงนะ เมื่อเราไปในใหม่แล้วเนี่ยเราไม่ยอมรับในตรงนั้นนะในความไม่เที่ยงของเขานะเราก็มีความทุกข์มากในความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นะใจเราจะคิดอยู่เรื่อยๆทําไมเราต้องเป็นมะเร็งนะเอไม่ไปเป็นกับคนอื่นมาเป็นกับเราทําไมนะเราจะนึกโทษตัวเองอยู่บ่อยๆนะโทษในชะตากรรมของเราหแต่เพื่อนระยะเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วนะเราจะเริ่มเริ่มมีความยอมรับใน ความเป็นมะเหล่งนั้นนะว่าเป็นเรื่องธรรมดามันนี้ไม่พ้นแล้วนะเมื่อใจยอมรับมันก็ไม่ทุกข์นะมันก็ทุกน้อยลงเนะีะเพราะจิตใจเริ่มยอมรับในความเป็นจริงนะาควมของความไม่เที่ยงเหล่านั้นเพราะฉนั้นความทุกข์ก็เกิดจากการที่ใจเราไม่ยอมรับในสิ่งต่างๆนั่นเองนะนะเราก็มีความทุกข์ในตรงนั้นนะหรือการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะบางทีเราปฏิบัติมาต้องนานแล้วต้องหลายๆปีแล้ว ทำไมมันไม่ดีถาวรนะะทําไมสติไม่ต่อเนื่องกันทําไมไม่เห็นรูปไม่เห็นนามทําไมเลยมีกิเลสอยู่แน่ยก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นความจริงในตรงนั้นว่าเราบังคับบัญชาเขามไม่ได้จริงๆนะมันก็เป็นแบบนั้นเองนะเรามีหน้าที่รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นนะเมื่อวานเราประบาดดีวันนี้เราไม่ดีแล้วก็มีความทุกข์แล้วนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ยอมรับในความเป็นอนิจจนา ต, ตาของเขานั่นเองนะเราก็มีความทุกข์ จริงๆแล้วกระแสของอพัฒญธรรมหรือปไตยรักษนั้นมันก็ไหลไปทางเดียวเขาอยู่แล้วนะมันไหลไปทางเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราไหลาตามเข้าไปนะหรือไหลาตามน้ําเข้าไปอในการที่เราจะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่ใจเราไม่ทุกเลยแต่ถ้าตาบใดที่ใจเราไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ไว่าจะเป็นความไม่เที่ยงความทุกข์หรือความไป็นน่าตา ความที่ไม่ยอมรับนั่นแหละก็คือการขวางกระแสกระแสของสัจธรรมนะเมื่อขวางปุ๊บเราจะมีความทุกข์ทันทีนะสิ่งต่างๆอะไร ก, ก็ตามที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าตัวเราบุคคลอื่นสิ่งของต่างๆนะถ้าเราเข้าใจในพระไตรลักษณ์แล้วเราจะยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะสูญเสียของรักนะของที่เรารักทั้งหลายแหล่อนะพ่อแม่ยายพี่น้องลูกหลานต่างๆนะ มันเป็นเรื่องธรรมดานะใจเรายอมรับในความสูญเสียเหล่านั้นเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราเข้าใจแล้วว่าเราไปยึดมั่นสิ่งต่างไม่ได้หรอกที่เรายึดมั่นไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่มีอะไรให้เรายึดมั่นนะมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือคนอื่นแต่เราไปยึดเพียงนิดเดียวเราจะทุกข์กันทีนะทุกวันนี้ก็มีคนอยู่ในโรงพยาบาลมากมายนะคนที่ตายก็มากมายแต่ทําไมเราไม่ทุกข์ เพราะาเราไม่ได้ไปยึดมั่นกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยนะครับ น, นี้คนที่เรารักนั้นนะเราก็ต้องตรงนี้เราถ้าเราปฏิบัติทำได้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นนะเราวางใจได้ถูกต้องแล้วเมื่อสูญเสียไปปับ๊บเราก็ไม่มีความทุกข์ในตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่เรารักนะเราอย่ไม่ไม่เสียใจไม่ยึดมั่นไม่ทุกข์แล้วของทีหายไปทั้งหมดนะ สิ่งของนี่หายไปตั้งแตของเล็กๆน้อยๆไปจนถึงของใหญ่เราก็ไม่ทุกข์เหมือนกันนะเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เราวางใจได้ถูกต้องแล้วเราก็ไม่ทุกข์ในสาภาวะ ต, ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะทุกอย่างนั้นในโลกนี้ทั้งหมดนะมันไม่มีใครไม่มีสิ่งใดที่จะหนีพ้นจากพระไตรลักษณ์นี้ไปได้เลยแต่เมื่อเราไหลาตามกระแสของพระไตรลักษณ์แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวนะนี่ก็คือ นะการที่เราสามารถไปบัตธรรมได้แล้วเนะจิตมันก็จะพ้นออกมาจากสิ่งเหล่านี้นะสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นโล ก, กียะหรือเป็นของโลกทั้งหมดอนะแต่เมื่อจิตของเราอยู่เหนือโลกเขาเรียกว่าเป็นโล ก, กุตละคือโล ก, กุตละที่มันอยู่เหนือโลกแล้วนะมันเห็นโลกนี้นะเป็นความแปรปรวนความที่เป็นชั่วคราวทั้งหมดนะมันเหนือขึ้นมาจริงๆนะแต่ถ้าใจเรายังไม่ถึงตรงนี้มันก็ยังอยู่ในโลกนะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ กระแสต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามกระแสของโลกเราก็ไปคลอยตามเขาไปไหลไปตามสาภาวะในสิ่งเหล่านั้นโดยที่เราไม่ได้อยู่เหนือเขาจริงๆนันก็มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมาเข้าใจมาเห็นความจริงได้ในการที่เราเห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆในขันห้างเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนนะ อย่จริงๆแล้วร่างกายเนี่ยเราก็ เ, เห็นได้ง่ายแล้วนะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆหรอกนะ <c oughs> ถ้ามันเป็นตัวตนเราจริงๆนี่เราก็แย่แล้วนะเราเวลาเมื่อตายนะมันก็เห็นชัดอยู่แล้วเขาเอาไปเผาเอาไปฝังเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆนะความยึดติดในร่างกายมันน้อยอยู่แล้วนะมันก็เห็นว่าเป็นไปมันนั่นเองนะไม่มีอะไรหรอกแต่ส่วนจิตใจนี่เราก็ยังคิดว่าเป็นของเราอยู่เรื่อยๆนะมันมคิดอยู่เรื่อยๆ ในสิ่งเหล่านี้นะเพราะเรายังแยกไม่ออกจริงๆนะครา้นี้วิธีการที่เราจะแยกเราก็ต้องเห็นบ่อยๆนในการที่เขาไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราจริงๆนะอย่างเช่นความคิดนี่แหละเราจะเห็นได้บ่อยๆเลยนะว่าความคิดเนี่ยเขาทํางานเองมีความตั้งใจคิดและความไม่ตั้งใจคิดอความที่ไม่ตั้งใจคิดนั่นแหละแสดงว่าเขาทํางานของเขาเองอยู่เรื่อยๆของเขาอยู่แล้วนะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเราเห็นความคิด อจากสติของเราเราเห็นความคิดมันก็ดับไปะแต่เราสามารถสรุปได้ไหมว่าเขาทํางานของเขาเองก็ไม่ไม่เกี่ยวกับเราถ้าเราสามารถที่จะสรุปได้ตรงนี้นิดนึงว่าเออมันไม่เกี่ยวกับเรานะมันไปไ ป, ไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเท่านั้นเองอเราไม่ได้อยากจะคิดสิ่งเหล่านั้นเลยนะอไม่ใช่เกี่ยวกับเราเลยนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเอไม่เกี่ยวกับเราเลยนะ มันก็จะเห็นแยกมาได้ชัดเจนว่าความคิดก็อยู่ส่วนหนึ่งนะส่วนเราอนะซึ่งเป็นตัวรู้ในตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนนะจากเป็นผู้เป็นผู้คิดกลายเป็นผู้เห็นความคิดไปนะเปลี่ยนจากเป็นผู้เป็นกลายเป็นผู้ดูไปเนะี่ยเมื่อเราตรงนี้แล้วความคิดมันก็ดับไปแล้วเราก็เกิดปัญญาใน ต, ตรงนี้ที่เราจะแยกได้ชัดเจนนะในความที่ไม่เกี่ยวกับเรานะไม่ตัวไม่ตนของเราได้ชัดเจนนะ ถ้าเราเข้าใจในเรื่องความคิดที่มันเกิดบ่อยๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราคิดแล้วเนี่ยมันก็แยกออกมาได้ตรงนี้ชัดนะไม่ให้ตัวไม่ตนของเร า, าจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราไปกังวลในเรื่องนี้นะแม้แต่จนเราตายก็ยังเป็นว่าเราคิดอยู่นะมันแยกตัวตนตรง น, นี้ออกมาไม่ชัดว่าไม่ตัวไม่ตนของเราเออยังเป็นความคิดของเรานะเ <ynen> พราะฉะนั้นถ้าเราแยกตรงนี้มาได้แล้วชัดเจนแล้วเนี่ยมันนอกจากเป็นสติแล้วมันก็เป็นปัญญาด้วยนะมันเห็นเออ มันเห็นรูปเห็นนามได้ชัดเจนเลยนะเออตรงนี้มันรูปนะอกายมันก็เดินมันไปเอใจมันก็เป็นทํางานมันไปมันก็คิดมันเองไม่เกี่ยวกับเรารูปนามันก็แยกชัดเจนในตรงนี้อยู่แล้วนอกจากที่เราจะเห็นความคิดได้ชัดเจนแล้วนะออารมณ์ต่างๆมันเกิดจากความคิดด้วยแล้วก็เห็นอารมณ์ได้ชัดเจนนะเช่นความโกรธนี่แหละเอความโกนนี่มันพวกเราไม่มีใครอยากโกรธเพราะเรารู้ว่าความโกรธมันไม่ดีอยู่แล้วนะแต่เมื่อกระทบอารมณ์ มันก็มีความโกรธขึ้นมามีความหงุดหงิดความไม่พอใจขึ้นมาอจริงๆแล้วนะถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนนะว่าความคิดมันทํางานเองอยู่แล้วเนะพราะงั้นความโกรธเมื่อทํางานเองเหมือนกันนะความโกรธมันก็เกิดมาเองเป็นเหตุเป็นปันจจัยของเขาเองนะตามเหตุตามปัจจัยไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเมื่อกระทบปุบป๊บเนี่ยเมื่อกระทบอารมณ์ปั๊บเนี่ย เวทนามันก็สัญญาเวทนามันทํางานมันทันทีเลยนะทํางานปั๊บเนี่ยมันทํางานก็มันเองเราไม่ได้ไปสั่งกับสัญญาเลยไม่ต้องทําบันนี้ไม่ต้องไปสั่งเวทนาแล้วมันทํางานอันนี้ไม่ต้องไปสั่งสังขารแล้วทํางานอบบนี้แต่มันทํางานในแวบเดียวของมันเองซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเลยเพราะมันเป็นมันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราอยู่แล้วแต่เมื่อมันทํางานแล้วก็ไปยึดว่าเออเราโกรธนะเราหงุดหงิดแล้วไม่พอใจนะนี่ยเป็นความยึดของเราแท้ๆเลยงันเราไม่รู้ว่าเออมัน เห็นเหเป็นปัจจัยของมันเมื่อเรายึดปุ๊บมันก็เป็นตัวตนของเราตลอดเนะพราะฉะนั้นถ้าเราตรงนี้เราไม่มีปัญญาพอก็กลายเป็นว่าเราจะไปยึดเนี่ยตรงเนี้ยตลอดชีวิตเลยโกรธก็กลายเป็นเราโกลัตลอดชีวิตแล้วมันจะไปแยกตรงไหนว่าไม่ตัวไม่ตนของเราตรงไหนก็ใกล้เป็นตัวตนเราตลอดพระเจ้าได้ทรงบอกอยู่แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เราก็ไปยึดว่าความโกรธเหล่านั้นเป็นตัวตนของเรา เนี่ย <mister> ม <ius> wow. <st> ันก็ไม่ม ah ีปัญญาในตรงนี้ที่มันจะไปแยกรูปแยกด่างจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาของเราเพราะฉะนั้นถ้าการเป็นบัตรเราที่ยังไม่ถึงกับแยกรูปแยกดางละเยดชัดแล้วเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะมาเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นได้ด้วยตัวเราเองว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเราจริงๆความกลัวหรือลมทั้งหลายมันก็ทํางานของมันเองไม่เกี่ยวกับเราจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าใจได้โดยตัวเราเองอยู่แล้วนะเราสามารถที่เห็นได้ตลอดเวลาด้วยนะ การที่เราเห็นบ่อยๆนั่นแหละมันเหมือนกับว่าเราเค่อยๆสั่งสมปัญญาค่อยๆสั่งสมความเข้าใจไปเรื่อยๆจนทั้งปัญญาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะคลายมาได้ตัวเองนะมันจะเห็นสภาวะสิ่ ง, สตงต่างๆเหล่านี้เช่นความคิดหรือลมต่าง ๆ, ๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระเป็นสิ่งที่ไม่มีเกลนไม่มีศารเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่ายนะไม่ใช่อ่าสภาวะ ใ, ใดๆทั้งสิ้นเลยนะจิตมันจะเกิดความเบื่อหน่าย ม เ, เมื่อเกิดความเมื่อหน่ายมันก็จะคลายกำหนัดเมื่อเกิดกาครคลายกำหนัดก็จะจิตจะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้หลุดพ้นแล้วนะก็คือการเห็นในสภาวะต่างๆเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราสภาวะของอความเป็นนิจจังทุกขังนัตตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองทั้งนั้นนะมันไหลาตางมาแสงของเขาก็อยู่แล้วเพียงแต่เราเข้าไปเห็นความจริงตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ไหลไม่เป็นไปกับเขาด้วยเนี่ยมันก็อยู่อยู่เหนือโลกนะสิ่งที้เป็นหนทา ง, งความพ้นทุกข์ ที่พระพุทธได้ส่งแสดงให้เราได้เห็นไว้แล้วเพียงแต่เราจะเห็นในตรงนี้ไหมตามความเป็นจริงไหมในว่าในร่างกายอหรือจิตใจไม่ใช่ของเราเจริงๆนะมันทํางานเขาเองเท่านั้นเองนะเนี่ยกลับมาเห็นความจริงตรงนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านก็บอกว่าเอที่ท่านปฏิบัติมาแทบพุมทับตายก็เพื่อให้เห็นตรงนี้เท่านั้นเองนะว่าในความเป็นอนะินจจังนุคณาตาเนี่ย เพียงแค่เห็นแล้วยอมรับมันตามความเป็นจริงเท่านั้นท่านก็จะเข้าใจธรรมะเลยท่านยิงอุทานว่าเราหลงโง่เป็นานนะธรรมะง่ายๆธรรมะปากอคอกที่เราได้ฟังได้ยินมาบ่อยๆแต่เรากลับไม่รู้ไม่เข้าใจมันไม่เคยพิจารณาไม่เคยสนใจไม่ดูตามความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องมาหลงปฏิบัติแทบเป็นน้าตายก็เพื่อกลับมารู้ความจริงในตรงนี้ธรรมะง่ายๆตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง นี่มันก็กลับมาที่จะรู้ความจริงในตรงนี้นะเนี่ยพอเรารู้ความจริงนจิตมันจะคลายจากความยึดติดในขันท่าได้เองนะค่อยคลายไปทีละ เ, เล็กทีละน้อยนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่หลักคือการสึกของด้ามขวานนะที่มันชักไม้ไดนะ้ได้ใช้ด้ามขวานนั้นแต่ไม่รู้หรอกว่ามันสึกวันละเท่าไหรนะ่แต่เมื่อนานไปก็จะเห็นด้านขวานที่มันสึกไปนะเพราะฉะนั้นความยึดติดนะในขันท่านี้ก็ค่อยน้อยลงค่อยน้อยลงไปเรื่อย กินเละแล้วไปลดน้อยไปด้วยความทุกข์เราก็ลดน้อยลงไปด้วยนี่ก็คืออันนิสงในการที่เราเข้าใจในหลักความจริงของมรตารักคืออานิจังทุกขระตาอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ได้เข้าใจเสในตรงนี้แล้วนะก็จะได้คล้ายกับปัญญวคีนะความยึดติดต่างๆก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะจนทา่านจิตเนีหลุดพ้นเช่นปัญญวคีนะก็ขอทุกท่านสามารถถึงเรื่งความหลุดพ้นถึงมฏิคานได้ในภาสในชาติไปบันทุกท่านเทิน